สังปาพยักหน้าก้มลงจุดไฟลนกันชาดูดควันเต็มอัดแล้ววางบ้องลงพวกของนายจะเดินทางไหนตัดนรกดำไปทางเหนือนอนเจ้าคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วเทือกเขาประสิวะแหววสะดุ้งใจผ่านแวบไปในดวงตาสีเหลืองกล้านนั้นจ้องหน้าเขานิ่งอยู่เป็นเวลานานนายเสียงแหบแหบนั้นดังมาในลักษณะครา มีอะไรเหรอที่พวกนายจะต้องไปที่นั่นในช่วชีวิตของสางตาช่วชีวิตของพ่อของพ่อที่เล่าสืบต่อกันมาไม่เคยมีใครไปถึงเทือกเขาพระสิวะแล้วกลับมาได้พวกเราจะต้องตายกันทั้งหมดนะนายจอมพรานหัวเราะเอื้อมมือมาตบไหลอันแบบบางต่แข็งแกร่งของพรานต่องสุทุกคนบอกเล่าสืบต่อกันมาเช่นนี้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 นายแมมไปกับพวกนายได้สางป่าก็ไปด้วยดีมากเจ้าเป็นคนคบได้สางปา่าระพินเดินกลับเข้ายังกลุ่มของพรานพื้นเมืองซึ่งนั่งล้อมวงกันอยู่รอบกองไฟเกิดยันเสยกกำลังฟังตาเท่าบุญคำคุยขโมองอยู่ในเรื่องราวที่แกได้ไปเชิญมาพอพรานใหญ่เดินเข้าไปถึงแกก็หยุดเล่าหัวเราะแฮ เกิดรีนกาแฟจาับ ก, กาส่งมาให้เขารับขึ้นจิบแล้วก็เลิกคิวดูบุญคำด้วยความสงสัยแลนั่นมันเรื่องอะไรกันบุญคำลุงพาเข้ามาอยู่นั่นเองฉันเอากางเกงมาคืนให้แล้วไม่ใช่เหรอเขาถามเสือก็หัวเราะบุยปากไปที่กิ่งไม้เล็กๆที่ปักอยู่ริมกองไฟตั้งเกงของบุญคำตัวที่ให้มาเรียนนุ่แขวนพึ่งไอไฟอยู่ที่นั่น นั่นไงครับนายลุงคําเอาอย่างไฟอยู่นั่นทำไมจันก็ตอบแทนมาให้ว่าพี่คาบอกว่าแกจะย่างให้หมดไอตัวของนายแหม่มซะก่อนใส่ตอนนี้ไม่ได้จะกรเดียมกระเดียเด๋ยวนอนไม่หลับทั้งคืนไอชิบหายกูไม่ได้ไว่าอย่างงั้นตาพรานเท่าร้องที่ผุงก็ให้ที่สีข้างจันหกคาเมนไปแล้วเงยยิ้มเห็นเหงือกแกเจ้านาย อ, อย่าไปเชื่อมันครับ ไอ้พวกนี้มันหาเรื่องมันหนาวบุญคำก็เลยเอามาพึ่งไฟให้อุ่นๆประเดี๋ยวจะได้นุ่งพลางก็หันไปทำตาเขียวกับจันผู้หัวรอ่องออยู่อีกอจันมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวผีนายเขาเหลืองมาเอากูตายหา่อาอ้าวๆก็ลุงว่าอย่งงางนั้นจริงนี่เสยช่วยยืนยันเป็นพยานมาแตตอนที่นายเอากุงเกงมาให้เมื่อคืนเมื่อค่ำอ่ะฉันเห็นลุง เดิมเอาดอมเอาบอกว่าหอมเหมือนสาบชมดยังไงละ่ะแทบจะเอาคลุมหัวเสด้วยซ้ำนั่ๆๆ่ไอพวกปากหมานี่เดี๋ยวผัดข้าหมดบุญคำสบุพขยับลุกขึ้นเกิดเสยและจันหัวเราะลั่นแตกคือกันออกไประพินหัวเราะหื้อกดไหลาตาพรานเท้าให้นั่งตามเดิมเอาละเอาละไม่ต้องโมโหกโกรธาไปหรอกอย่าไปเชื่อมันนะนาย บุญคำบ่นออดเออไม่เชื่อก็ไม่เชื่อพร้อมกับพูดยิ้มยิ้มเขลดตัวลงนั่งขัดสมาธิกลางวงของคนเหล่านั้นเจ้าสามพรานหนุ่มพากันหัวร้อคิกคักบุญคำทำปากหมุบหมิบสบดพรรมัมเ อ, อื้อมมือไปคว้ากุงเกงที่พึ่งไฟอยู่มาสวมอย่างกระดากและพาโลเคกะบาลเสยซึ่งนั่งอยู่ใกล้ที่สุดแก่เหนียมและนี่นายยังไม่นอนอีกแล้วครับเหนื่อยมาเต็มที่แล้วนี่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 เสียงช้างร้องเรียกลูกอ่อนจากที่ใดที่หนึง่งทางหุบปลายห้วยด้านล่างแวววขึ้นมาตามลมเอ่งกวางบีเป้าอยู่ในดงมะปรางฝากตรงข้ามแล้วก็แตกเลิดเมื่อได้ยินเสียงเสือดาวคำรามยักระจันเขียดตาจงเสียงดนตรีธรรมชาติของมันขับกล่อมราวไพรชีวิตตาดำเนินไปตามสภาพปกติของมัน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 เขานอนรีตาดูหล่อนอยู่เช่นนั้นไหลอกใจก็ยังคงเห็นนั่งงันส ง, งบอยู่คนเดียวตามเดิมจึงค่อยๆดึงกายขึ้นนั่งเป็นไรไปหรือเปล่าเมเขากระซิบถามเบาๆในแสงเรือนลางของไฟจากกองมาเรียรยิย้มโรยๆสั่นสีสันแต่ไม่เอ่ยคำใดชายันเลิกแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาข้อมือ ขณะนั้นมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาเศษเมื่อหัวค่านี้คุณไม่สบายมากนะตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างละ่ะแมมสาวยกมือขึ้นเสรีผมตอบแผ่วๆดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะชัยยันคุณจะนอนพักชนะอากาศกำลังเย็นจัดแล้วนี่ลูกคุณมานั่งทำไมละ่ะมาเรียกวาดสายตาไปยังดารินและเชิถาที่นอนเรียงกันอยู่ข้างๆตัวแล้วหันกลับมาที่ชัยยัน น้อยฉดยาให้ฉันแล้วก็ให้กินยาทำให้ฉันหลับไม่รู้เรื่องไปเลยเพิ่งมารู้สึกตัวเมื่อสักครู่นี้เองฉันฝันร้ายไปสารพัดตกใจตื่นก็เพราะความฝันนี่แหละเสียงของหล่อนสั่นเครือช้ยันหัวเราปลอบใจเอื้อมือมาลูบหลังมันก็เป็นธรรมดานะคุณเผชิญกับเหตุร้ายมาและกาลังไม่สบายเลือดลมไม่ดีมันก็ทาให้ฝันร้ายไปได้อย่าไปสนใจกับมันเลย พวกเราย้ายที่จากเดิมเข้ามานอนเป็นเพื่อนคุณที่นี่ขอบคุณเหลือเกินพวกคุณทุกคนต่างดีกับฉันจนไม่อาจกล่าวถูกฉันเป็นต้นเหตุก่อความยุ่งยากแค่แกพวกคุณแ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะ้ๆชวอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยไหนๆเราก็จะต้องร่วมชีวิตกันแล้วชายันกล่าวอ่อนโยนแล้วขยับตัวลุกขึ้นนี่ไม่เย็นคุณไม่ได้กินอาหารเลยนะสังค่ายแล้วก็คงจะหิวมาก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 กำลังจ้องดวงตาเป็นประกายราบซึ้งจับมาที่เขานี่ขณะนั้นเกิดก็สะดุง้งลืมตาโพลงขึ้นรีบ จ, จัดการชุนไฟจัดการซุนฟืนเพิ่มเติมเข้าไปในกองมีท่าที่หายง่วงรอบๆกองไฟนั้นจันเสยบุญคำและพรานใหญ่ระพินนอนเรียงรายกันอยู่เป็นรูปวงกลมทุกคนกำลังหลับสนิทนอกจากเกิดผู้อยู่ยาม ห่างออกไปอีกด้านคือแง่ทรายส่วนขยินและสางตานอนสกัดอยู่ใกล้ๆ ก, กับเพิงที่คณะนายจ้างนอนกันอยู่คนละมุมออกมาทำไมกลับก็ไปนอนซะเถอะเดี๋ยวซุปเดือดผมจะเอาไปให้ชั ย, ยันบอกพร้อมกับจุดบุรีสุกแม่มสาวซุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ฟืนขนาดใหญ่ที่มีปลายข้างนึงสมอยู่ในกองถ้าคุณไม่รังเกียจ ฉันอยากจะนั่งดูสุภาพบุรุษชายันปฏิบัติหน้าที่ของเขาให้แก่ผู้หญิงตกยากอนาถาคนหนึ่งชายันหัวเราะออกมาอย่างเปิดเผยความรู้สึกบอกตอนเองว่านักนิรุติศาสตร์เลือดเยอรมันผสมฝรั่งเศสผู้นี้เข้าใจพูดเพื่อสนองตอบน้ำใจของเขาหล่อนอัดพูดด้วยสมองของคนที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีเลิศแล้ว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 หยิบตัวหนึ่งขึ้นมาจุดสูบอัดควันลึกตายังคงมองจับนิ่งมาที่ชัยันกึ่งเลื่อนลอยกึ่งใช้ความคิดอาการก็ยังเสื่องซึมชวนสมเพศฉันไม่นึกมาก่อนเลยนะว่าในคณะของคุณนี่จะเพียบพร้อมไปด้วยบุคคลที่มีน้ำใจงามอย่างนี้ในที่สุดหล่อนกล่าวเสียงเบาเหมือนจะออกมาจากกระแสะคิดคำหนึกอังมือกับกองไฟ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 มิสเตอร์ฮันเตอร์ผู้เปรียบเหมือนหลักประกันอันศักดิ์สิทธิ์ประดุดเกาะกันผองไผ่ก็ผมบอกแล้วไงว่าคุณอยู่ในท่ามกลางมิดไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นนั่นสิพระเจ้ายังไม่ทอดทิ้งฉันมาเรียพึมพำทั้งสองสนทนากันเบาๆถึงเรื่องส่วนตัวเราเล่าถึงชีวิตการศึกษา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 สิงโตควายป่าและแรดรวมแล้วอีกนับพันการติดตามบิดาไปทุกขนทุกแห่งในการล่าสอนให้หลอนเกิดความเคยชินและชำนาญขึ้นหลอนเริ่มฝึกหัดปืนมาตั้งแต่อายุส0บขวบด้วยปืนลมต่อมาก็ขนาดจุดสองสองขึ้นมาจนกระทั่งดับเบิลไรเฟิลขนาดจุด470อันเป็ น, ป, นปืนล่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่หลอนจะต้านทานแรงสะท้อนถอยหลัง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 และหล่อนก็ติดตามเข้าไปด้วยโดยมีสปริง g ฟ i e l ์30มทับ 6, กระบอกหนึ่งติดมือไปด้วยอย่างไม่มีเจตนาจะช่วยบิดาล่าสิงโต ว, วายรายที่กำลังขมั่มเหยือของมันอยู่ในพุ่มไม้ทึกเจ้าสิงโตตัวนั้นเกิดเพนสวนเข้าใส่พ่อของหล่อนในระยะกระชั้นชิดที่ห่างกันเพียงไม่เกิน15เมตรพ่อของหล่อนแม้จะเป็นพรานมือดียิงสิงโตมาร้อยๆตัวแล้วก็ตาม เขาก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ตามโชคชะตาอันไม่แน่ของมนุษย์กระสุนจุด577ฮอลแลนด์แอนฮอลแลนด์จากไรเฟิลแฟร์ที่ยิงสวนออกไปขณะที่มันเพนเข้าใส่กินสูงแหวกขนคออันหนาทึบใหญ่โตของมันก็จุยไปโดยไม่ถูกสมองแล้วมันก็ถึงตัวเขาขยํำแขนซ้ายที่ยกขึ้นรับแรลกไปและพ่อก็ล้มหลยหลังลงกับพื้น ความตกใจจนหมดสติทําให้หล่อนตัดสินใจทําอะไรไม่ถูกในขณะนั้นนอกจากจะส่งเสียงกรีดร้องลั่นไปทั้งตาบึ้งอยู่ในมือแท้ๆพยายามนั้นมันก็หาประโยชน์อันใดมิได้เพราะหล่อนลืมมันใช่ยังสนิทมันจะเป็นพระเจ้าสิงร้ายตัวนั้นบังเอิญตกใจเพราะเสียงตะเบงร้องของหล่อนหรือเป็นพระดวงชะตาของพ่อจะยังไม่ถึงคาดก็ไม่ทราบได้ปรากฏว่ามันไม่ได้ขยําซ้ําอย่างใดทั้งสิ้น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 พากันเดินทางมาเพื่อตามพิชิตเจ้าวายรายตัวนั้นไม่มีใครได้รบแคะระคายหรือร่องรอยของสิงโตตัวนั้นตลอดระยะเวลาเจดวันแรกนับตั้งแต่มุลเลอร์ถูกกัดสิงโตตัวอื่นๆทุกยิงล้มตายลงเป็นเบือไม่ต่ำกว่าห้าสบตัวจากบรรดาจอมพรานทั้งหลายที่แยกย้ายกระจายกันออกไปแต่ไม่มีตัวไหนมีลักษณะเหมือน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 ทุกคนเห็นเป็นเรื่องไร้สาระที่เด็กสาวอายุเพียงส7เจ็ปีถือไรเฟิลขนาดเพียงสามสิบทับศูนย์หออกเดินบุกป่าท่อมท่อมอยู่คนเดียวเพื่อจะฆ่าสิงโตตัวที่ทำให้พ่อบาดเจ็บในขณะที่พรานคนอื่นๆล้วนปรากฏกิติศัพท์กันมาแล้วก็ยังไม่สามารถจะปราบมันลงได้และพรานใหญ่แตละคนเหล่านั้นก็ชล้วนใช้ไรเฟิลประจามือขนาดอย่างต่าที่สุด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 หลอนก็หลีกลลไปไม่ทันซะแล้วสำหรับระยะประชิดตัวเพียงไม่กี่ก้าวนั้นมันยืนแงนหน้าแย่เขี้ยวคำรามอยู่ตานว่าปาแถบนั้นจะถล่มทลายลงมาด้วยอนุภาพแห่งแก้วเสียงราชสีสีรษะของมันประกอบด้วยขนคอพองเป็นแผงมาคือมาดูราวกับจะบดบังแสงอาพิธที่ส่องลงมาจากยอดเขาระดับที่มันยืนอยู่สูงกว่าหล่อนขึ้นไปประมาณสิบห้าฟุต เพราะลวออกมาจากไหลตะพักตอนหนึ่งของภูเขาหินย่อมย่อมแล้วมันก็กระโจนวูบเข้าใส่เนไม่มีเวลาแม้แต่จะส่งปืนขึ้นถึงไหลเพราะว่าเหนียวไกลออกไปจากระดับที่ถืออยู่แค่เอวนั่นเองเสียงสปริงฟีนสามสิบทับศูนย์หกแผดแหลมกึกก้องกลบเสียงคำราญอย่างดุร้ายของมันหมดสิ้นทันทีที่เปืนลั่นหลนก็พุ่งตัวกลิ้งไปเบื้องหน้า ตื้นกระเด็นหลุดมือไปไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้สึกแต่เพียงว่าแผ่นดินตรงบริเวณที่หลอนยืนอยู่นั้นสะเทือนสะท้านเพราะน้ำหนักตัวอย่างมากมายที่กระแทกลงมาเมื่อได้สติหลอนช่วยปืนที่ตกอยู่ในระยะใกล้ๆทยาลุกขึ้นอีกครั้งเจ้าสิงโตตัวนั้นนอนตะแคงสนิทนิ่งอยู่กับที่หมดฤทธิ์ลงซะแล้วกระสุนสินวัติ น้ำหนักเพียงสองเยี่สิบกรนทะลุกลางอกของมันเลยออกทางสะบักหลังจบชีวิตอย่างดุดสนีที่สุดไม่น่าจะเป็นไปได้เลยกระสุนส์มสบทับศูนหน้ำหนักมันเพียงแค่นั้นอยาํทำให้มันตายคาที่เพียงกันยิงนัดเดียวเข้าที่อกชายันร้องออกมาลืมตาพรูมารียิ้มกล่อยๆยักไหล ฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันและพรานคนอื่นที่มาพบเห็นเขาภายหลังก็แทบจะเชื่อสายตาเสไม่ได้ด้วยบาดแผลตำแหน่งนั้นจริงอยู่อาจทำให้มันตายได้เหมือนกันในความรู้สึกของคนทั่วไปแต่ก่อนที่มันจะตายมันก็ควรมีเวลาขย่ำฉันแหลกลานไปก่อนไม่ใช่ล้มควม่มคาที่หยุดตรงนั้นเรากับจะมีปฏิหารเข้าช่วยเพื่อพิสูจ์ดูปฏิบัติการของกระสุนนับนั้น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 และที่มากที่สุดก็คือเสือโคร่งในอินเดียหลอนยิงสนับไม่ได้ชีวิตการล่าสัตว์เกมเสี่ยงอันตรายของหล่อนยังไม่เคยปรากฏว่าหล่อนจะได้รับบาดเจ็บเลยนอกจากเคยถูกงู ก, กัดครั้งหนึ่งในป่าเวเนซุเอลาไปได้รับการเยียวยาช่วยเหลือพันชัยยันฟังหล่อนเล่าอ้าปากค้างผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เอง จากสถิติที่บอกมานี่คุณน่ะคือพรานใหญ่คนหนึ่งทีเดียวอาจจะพอพอกระพินไพรวันของเราก็ได้นะแม่สาวสั่นสีสะัะอย่างฉันนะ่ะยังไม่เรียกว่าพรานหรอกชัยยันพรานนะ่ะต้องอย่างมิสเตอร์ฮันเตอร์หรืออย่างพ่อของฉันนะั่นคุณจะนำฉันไปเปรียบกับเขาไม่ได้เป็นอันขาดนะฉันอยากจะพูดซะด้วยซ้ำไปว่าในปาเอเชียที่ฉันผ่านมาแล้ว